ท่าผู้ฟังคะรายการสัมสนาสมทนานะคะเรียกว่าเข้มข้นทั้งสองส่วนส่วนแรกนี่ก็เข้มข้นในส่วนของการปฏิบัติได้ได้ฟังพุท้ทวัจนะอย่างเกิดบเต็มพระสูตนะคะอย่างเป็นทางการว่าอย่างนั้นพอมาถึงช่วงที่สองก็เข้มข้นในลักษณะที่ว่านําคําของพระาศาสดาเนี่ยมาตอบคําถามในเรื่องของธรรมะที่เราเรียกกันว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวัจนะ แล้วก็เป็นเวลาที่จะได้พบกับช่วงที่สองนี้กันแล้วล่ะค่ะพระอาจารย์พบูรลอภิปุนโนนะคะจากวัดปาดอนหายโศกอุดรธา น, นีค่ะน้อมักการกันทั้งค่ะเชิญบอค่ะก็มาพบกันในวันที่รัฐบาลแล้ ว, ว่ามีการประกาศให้อพยพกันแล้วก็มีคนอพยพ ก, กันเยอะอืมวัดปาดอนหายโศกนี่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทางอื่นเลยนอกจากพูดที่นี่ไปครั้งเดียวตอนนี้ผลเป็นยังไงบ้างคะทั้งค่ะก็มีผู้มาพักอาศัย แล้วนีน้ำท่วมอยู่บ้างค่ะยังไม่หนาแน่นยังไม่หนาแน่นค่อยๆมาค่ ะ, คะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยได้เห็นศูนย์อพคยประหลายๆที่เขาแออัดยัดเยียดแล้วก็ขวัญเสียกันบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าทางเลือกแบบนี้หน้าที่จะมีคนให้ความสนใจเดี๋ยวยังไงจะใช้วิธีอื่นๆประกอบไปด้วยก็แล้วกันนะคะคือมันเป็นไปได้ว่า องค์กรอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาอาจจะมีสถานที่รับอย่างเป็นทางการอืในลักษณะของศูนย์อพยพ ศ, ศูนย์พักพิงอะไรแบบหนึ่งที่มีระบบระเบียบของเขาถ้าเอาไปอยู่ปนๆกันมันอาจจะสับสนก็ไว้ประชาสัมพันธ์แยกๆไปก็แล้วกันนะคะใ่ใชตอนนี้ยังรับไหมคะรับอยู่ก็จะมีพวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนั่นแหละที่อามาประสบปัญหาน้ำท่วมนะก็จะมีหลายคนโทรมาบอกว่ากําลังจะขึ้นมากันอยู่อ๋อค่ะ นะคะถ้าใครอยากไปเนี่ยวัดป่าดอนไฮโซเป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมซึ่งเรียกว่าหลักสูตรลีบเล้นกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนไปไม่ตรงกับช่วงที่มีหลักสูตรอย่างอพยพไปอย่างเงี้จะไปขอความรู้เรื่องของการปฏิบัตินี้จะได้ไหมคะได้ได้ก็ยินดีสอนให้ก็ช่วงนี้มันต้องมีการปล่อยวางเยอะคุณยมติวทั้งทรัพย์สินเข้าของสมบัติ อันนี้สำหรับคนที่โดนนะหรือคนที่มีความเสี่ยง <คะ S 2> แล้วคนที่ไม่โดนนี่ยังมีเรื่องข่าวสารข่าวลือข่าวนั่นนี่โอ้มันปวดหัวไปหมดจนไกลยังไม่โดนน้ำนี่กลายเป็นโรค ก, กลัวน้ําอะไรบางส่วนก็มีนะบางคนที่บอว่ามาสักทีทีน้ำรอนานแล้วอืมรอดิฉันเข้าใจว่าพูดถึงความเข้าใจของดิฉันแล้วเช่นทั้งว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแบบนี้นะคะแต่จะสอดคล้องกับสิ่งที่พระาศาสดาเราสอนหรือไม่จะกราบเรียนถามท่านนะคะ ว่าเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยที่กลัวคือกลัวความไม่รู้ความไม่ชัดเจนแต่ถ้ามันมีความชัดเจนหรือมีความรู้ในสิ่งที่ใครๆว่าน่ากลัวนั้นหรือเราเคยกลัวเนี่ยมันจะกลัวน้อยลงหรือไม่กลัวเลยเพราะรู้จักมันซะแล้วแล้วก็ตั้งท่ารับมือกับมันอ๋อความกลัวนี่เกิดจากความความรัก นะความกลัวเกิดจากความรักคือหมายถึงยัไงไงหมายถึงว่าถ้าเรารักสิ่งของเข้าของของเราอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันจะมาทําลายเรานะเราจะกลัวแล้วคือเราสู้ไม่ได้นะอยา่างสมมติภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยจะมาทําลายเข้าของที่เรารักขึ้นมาเนี่ยเราจะกลัวขึ้นมาทันดีฉันยุตสศาสเตรียมการไว้อย่างดีนะเห็ น, น, เเาานเขื่อนนนึงเขาก็พังคนก็พังเริ่มกลัวละกลัวว่าของเราจะพังบ้างเนื่องจากความรักที่เรามีท่านพุทธเจ้าบอกว่าความกลัวเกิดจากความรัก นะความโศกเกิดจากความรักถ้าพ้นแล้วจากความรักเนี่ยความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าบางคนกลัวรักตัวเองก็จริงกลัวตายเพราะว่าความตายจะทําให้ร่างกายเนื้อหนังของเราเนี่ยมันสลายไปเราจะไม่ได้อยู่กับร่างกายความสุขอะไรต่างๆที่เรามีใช่ไหมเขาก็เลยกลัวตายบางกลัวของหายกลัวอะไรต่างๆเพราะความรักนั่นเองอออืื ความกลัวมันเกิดแต่ความรักใช่ไม่ใช่ความกลัวเกิดแต่ความไม่รู้อย่างที่เดิเชษเข้าใจหรอคะถ้าทางพระพุทธศาสนาเอ่อความรักเกิดจากความไม่รู้อืมอ๋อเพราะคุณไม่รู้อวิชชาเนี่ยนะใช่ใช่เราจึงมาหลงรักสิ่งที่ไม่ใช่ของเราจริงรึเปล่าคะอืมเราโดนหลอกอยู่ไงเราโดนหลอกอยู่คุณยมติวไม่รู้จะไปรักได้ยังไงก็รู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่ามันน่ารัก เราถึงเพราะเราถูกหลอกไงถูกหลอกด้วยความไม่รู้ถูกหลอกด้วยอวิชชาว่าไอ้นี่มันน่ามันเป็นของเราเราจึงรักเขาเราเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้จริ ง, รงๆเราไม่ต้องรักขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องมีความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในใ น, ในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราอย่างสมมุติบ้านของเราอย่างเงี้ยเอย้ฉันเก็บเงินมาตั้งเป็นหลายๆ10ปีตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อจะมาซื้อบ้านหลังนี้นะบ้านหลังแรกหรือหลังไหนไหนก็แล้วแต่มันไม่เคยท่วมเลยฉันทํามาอย่างดีปีนี้มันจะมาท่วมเนี่ย เราจึงมีความปรองใจรักในสิ่งที่เป็นของเราท่านคะอขออนุญาตเลยนะคะอย่าเพิ่งต่อได้ไหมครับดิฉันจะอ่านคำคำรำพึง uh huh. และประกอบไปด้วยคำถามด้วยมาฟ้องท่านไทบูนนะคะว่าเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ย <c oughs> กราบนมศรกรรพระอาจารย์ตอนนี้บ้านที่นนทบุรีพร้อมรถสองคันจมอยูใ่ใต้น้าเรียบร้อยแล้วต้องอพยพหนีน้าอย่างทุรักทุเลไปอาศัยบ้านญาติ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับไปบ้านอีก <S <S ไม่เจอกับตัวไม่รู้สึกจริงๆโยมจะพยายามอดทนอดทนและพยายามมีสติสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าแล้วทำไมเกิดขึ้นกับคนเป็นแสนเป็นล้านคนพร้อมๆกันมไม่ยอมบอกชื่อให้ชัดกว่าผู้ศึกษาปฏิบัติค่ะอ๋อก็อ เ, เป็นคำถามของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติ ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโดนน้ําท่วมบ้านแล้วก็ถ้าไม่รู้ไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้สึกใช่ใช่อันนี้คงต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึกคือหมายความว่าถ้าเผื่อว่าเราเราโดนกับตัวเองเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะ่ะคุณโยมเต๋วที่เราฟังข่าวเอาอย่างยกตัวอย่างนี้นะเอาง่ายๆสมมติว่าเราอยู่อยุธยาเราอยู่อยุธยาแล้วเราก็ฟังข่าวสึนามิที่ญี่ปุ่นอยู่อย่อยางเงี้ย นะความรู้สึกที่ตอนตอนนั้นเรายังไม่โดนน้ําท่วมนะฟังข่าวเซนามิที่ญี่ปุ่นอยู่เนี่ยเราก็โอ้สงสารเขาเหลือเกินแต่ว่าช่วยช่วยเนี่ยเราก็ช่วยได้ตามที่เราจะช่วยเพราะฉะนั้นความที่เราจะรู้สึกตระหนกตกใจหรือว่าความกังวลเนี่ยมันจะน้อยกว่านะคือคือหมายกับว่ า, าเวลาเราฟังข่าวเขาเนี่ยเราก็มีความตกใจอยู่นิดหนึ่งนะทีนี้รเราย้ายจากอายุธยามาอยู่ที่ปฐุมธานีเป็นตน้นแล้วเราฟังข่าวเนี่ยว่ออาอยุธยาน้ําท่วม วุ่นขนาดมิรหัวตอนนี้เราอยู่ย้ายมาอยู่อยู่ใประทุมธานีนะพอตอนเราเดนย้ายมาอยู่ประทุมธานีเนี่ยเราเปรียบเทียบดูตอนที่เราฟังข่าวตอนที่เราอยู่อยุทยาแล้วเราฟังข่าวสึนามิอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เรามาอยู่ประทุมธานีฟังข่าวว่าอยุธยาน้ําท่วมเนี่ยเราจะรู้สึกตกใจมากกว่าการที่เราอยู่ประทุมธานีแล้วเราฟังข่าวอยุทยาน้ําท่วมเนี่ยเราตกใจมากกว่าเพราะเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้มันใกล้นิดเดียวเองแต่ยังไม่ท่วมนะเรายังไม่ท่วมนะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพ ชั้นหนนะแล้วเราก็ได้ยินข่าวปทุมธานีก็ท่วมอยุธยานี่ท่วมแล้วปทุมธานียังท่วมอีกนะความตกใจเนี่ยมันจะมากกว่าในขณะที่เราอยู่ปทุมธานีแล้วเราฟังข่าวอายุธยาน้ําท่วมขึ้นด้วยซ้ำนะแล้วตอนที่เราเห็นข้างบ้านหน้าปากซอยน้ํามันมาแล้วเนี่ยความกังวลความตกใจมันจะมากขึ้นไปอีกนะเพราะมันใกล้ตัวขเข้ามาจนกระทั่งเราท่วมแล้วเนี่ยโอย้ท่วมแล้วเราก็ไม่รู้ทําไงมันก็โดนท่วมไปแล้วถามว่าตรงจังหวัดไหนคุณจะปล่อยวางได้ คุณเลือกเอานะยังไงมันก็มาอยู่ดีความที่สิ่งที่ไม่น่าพอใจจะเกิดขึ้นนี่ตัวอย่างน้ำท่วมไม่เฉยน ะ, ะแต่ที่มาแน่ๆคือความตายเราไม่มีทางรอดพ้นเลยต่อให้คุณเอายาดีไปหาหมอดีรักษากี่แสนกี่ล้านก็แล้วแต่เถอะแต่สักวันมันก็ต้องถึงวันนั้นนะ่ะแต่ว่าคุณจะปล่อยวางตรงไหนถ้าคุณปล่อยวางได้วันนี้นะสมมติเราปล่อยวางได้ในตอนที่เราอยู่อยุธยาแล้วเราก็ฟังข่าวสึนามินะ ระหว่างที่เราย้ายมาอยู่ปทุมธานีหรือว่าอยู่กรุงเทพชั้นในเนี่ยเราจะสบายใจได้แต่ถ้าคุณยังถือความกังวลมาเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ยุทธยาย้ายมาปทุมธานีย้ายมากรุงเทพชั้นในจนกระทั่งน้ำมันมาถึงที่ตาตุ่มเราแล้ ว, ลวเราถึงจะค่อยปล่อยวางได้เราก็ยังทุกมาตลอดแล้วเราจะทุกไปทําไมอ่าแต่ว่าทําไมเรายังต้องทุกอยู่แล้วก็เร า, เราไม่รู้วิธีก็ถ้าคุณไม่รู้วิธีตั้งแต่ตอนที่คุณอยู่อยุทยาแล้วก็ปล่อยวางตอนที่ได้ยินข่าวสึนามิเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกอยู่ตลอด ซึ่งวิธีนั้นก็คือวิธีเดียวกันกับตอนที่น้ํามาถึงตาตุ่มในการที่เราจะปล่อยวางค่ะนะทีนี้เราต้องรู้กุศโลบายวิธีนี้ก็คือว่าการที่เราเห็นความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเราอย่าไปยึดถือในสิ่งของเรานะลักษณะนี้คนเราไม่เห็นความทุกข์มันก็จะไม่ไม่สามารถปล่อยวางได้นะคุณโยมติค่ะท่านพิบูลคะเท่าที่ฟังมาในเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ดิฉันกลับไปที่คําถาม ว่าคนเรากลัวเนี่ยก็ความไม่รู้ใช่หรือไม่ท่านบอกใช่ใชก็คือความเกลัวเพราะความรักใช่คะท่านบอกอย่างนี้มีขั้นไว้ก่อนก่อนจะมาถึงความไม่รู้ไปรักในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ารักในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไปรักในสิ่งที่ที่ไม่ใช่ของเราเรา<ช>ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไปหลงรักเกิดความรักก็เกิดความหวงแหน แล้วก็เลยกลัวสารพัดเลยเมื่อมีอะไรจะมาเกิดกับสิ่งที่เรารักด้วยความไม่รู้อะจะทําให้สิ่งที่เรารักเนี่ยแ ป, ปรปลุนไปเป็นอย่างอื่นเราจึงมีความกลัวนะคะ อ, อันนี้ถ้าค่อย ค, อยคอย่วิเคราะห์อ่ะลองหลับตานึกถึงโจทย์นี้เลยนะคะที่บ้านมีบ้านกับมีรถอบ้านก็จมน้ํารถก็จมน้ำน้ำเนี่ยสูงเมตรกว่าอบ้านโอโ้โห กว่าจะได้มาสักหลังหนึ่งบรรจงแต่งบรรจงสร้างบางคนเนี่ยนะคะวันๆไม่ทำอะไรหรอกไปไหนก็คิด<า>ถึงบ้านรถเนี่ยบางคนให้ความสำคัญมากกว่าบ้านตอนนี้กรุงเทพนะคะท่านจะมีถนนทางด่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือสะพานข้ามแยกเต็มไปด้วยรถจอดอะไรที่มันจะสูงสูงหน่อยนะมองให้งดงามก็งดงามถ้าจอดเป็นระเบียบนะคะบางทีเนี่ยโอโ้โหมี แท็กซี่สีบันเย็นเป็นแถวจบแล้วก็มารถปิ๊อัพของบริษัทหนึ่งซึ่งเหมือนๆกันอีกเป็นแถวจบแล้วก็ต่อด้วยรถหลากสีสันมองให้สวยก็สวยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเข้ า, าไปจอดบนสะพานเนี่ยเพราะอะไรลองมาวิเคราะห์ซิเพราะความรักถูกไหมคะเพราะความกลัวเ พ, เพราะควา ม, ววามรักใช่มันจะเสียหายใช่อืแล้วไอ้ไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ายังไงคะไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเรา เราไม่ต้องรักก็ได้ เ, เราคลายความรักเราไม่รู้วิธีที่จะคลายความเพลิดเพลินกําหนัดยินดีในสิ่งนั้นเราจึงรักเขาเพิ่งซื้อเลยคะ่ะท่านป้ายอย่างแดงเลยเอาก็เราไม่รู้วิธีที่จะคลายความกําหนัดยินดีในสิ่งนั้นไงเราจึงรักเขาจะคลายได้ไยังไงคะมันดูดีดีแหมใครก็ว่าดีอแพงก็แพง ท, ที่ที่เรายังเห็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะความไม่รู้มาบังตาทีนี้เราไม่รู้ทําไมเราถึงไม่รู้ ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เห็นตามที่เป็นจริงที่ว่าไม่เห็นตามที่เป็นจริงจึงไม่รู้ใช่ไหมที่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีสมาธิจิตเราไม่ไม่ไม่มีสมาธิไม่มีกำลังที่จะเห็นตามที่เป็นจริงค่ะเดี๋ยวขอหยุดตรงนี้ไว้อีกนิดนึงเหมือนกันนะคะท่านบอกว่าไม่เห็นตามที่เป็นจริงเป็นจริงแบบไหนเพราะว่าบางคนบโหกว่าจะซื้อเนี่ยมันแทง ศึกษาจนชนิดที่รู้จักลงไปถ้ามันเป็นมนุษย์นี่ทุกรูขุมขนของมันแล้วยังไม่จริงอีกหรืออย่างนั้น อ, อความจริงตรงนี้คือการที่มันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงไปได้นี่นะอันนี้เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมเห็นตามที่เป็นจริงเราจะเกิดความรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราพอเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ปร่งใจรักพอไม่โปร่งใจรักเนี่ย มีอะไรมาทําให้มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่กลัวเราจะไม่ทุกข์ไล่ไว้อย่างนี้ที่เราเคยคุยกันในรายการคุณยมเติยวจาได้ไหมว่าแค่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคุณตื่นเช้ามากินข้าวต้องไปห้องน้ําแค่นี้ก็ทุกข์พอรแรงและเอาทําไมเราไม่เห็นน่ะไม่เห็นว่าอันนี้เป็นทุกข์ก็จิตคุณไม่มีสมาธิไม่มีกําลังที่จะเห็นว่าตรงนี้เป็นทุกข์จริงๆรท่านคะขอทาน โ, <ฮ>โทษพอน้ําท่วมเนี่ยบางคนเห็นชัดนะคะบางคนเนี่ย ดิฉันมาอ่านหนังสือพอเกทบุ๊กเล่มหนึ่งเป็นความบังเอิญมากเขาเล่าถึงเมื่อน้ําท่วมตอนน่าจะสักประมาณปีสองพันหร้อยสาสิบแปดก็พูดถึงเรื่องทุกตอนขับถ่ายเนี่ยคะ่ะอือบอกว่าที่บ้านเนี่ยมันไม่สะดวกต้องทุกอดทนไปหาที่ขับถ่ายที่อื่นในกรณีที่ที่ทํางานยังดีอยู่ทุกแบบนี้ก็พอเห็นทุกชัดขึ้นแล้วนะคะใช่ใช่แล้วกอ็อย่างกรณีที่มาเล่าให้ฟังว่าเราอยู่วิทยาจะไม่มาถึงปฐุมธา น, นีมาถึงกรุงเทพเนี่ ถามว่าคุณจะปล่อยวางตรงไหนอคุณจะปล่อยวางตรงไห น, นทําไมเราควรที่สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือปล่อยวางตั้งแต่แรกๆกเลยอไม่ได้มาดังสิทธิ์ใกล้ถึงกรุงเทพก่อนกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีความกังวลอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเออคุณมีรถอยู่ก็ช่างรถมีบ้านอยู่ก็ช่างบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราต้องรักษาเขาตามเหตุตามปัจจัยนะฮะที่จอดให้เขาทําระยกข อ, ของขึ้นสูงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความกังวลในจิตของเราเนี่ยไม่ควรจะต้องมี อย่าให้มีความกังวลอย่าให้มีความกระฟัดกระเฟกกระด้างกระเดืองแสดงความกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะอย่าถึงกับร้องให้คลั่งครวนทุบบกชกตัวเป็นผู้เงุคนกงคลั่งเพื่อทําอะไรไม่ถูกพูดจะผิดอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นะนะคะก็คือเวลาเหลือน้อยจึงต้องสรุปเอาไว้ก่อนถ้าหากยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันต่อไปอีกแต่ตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าถ้ามีสมาธิมันจะเห็นชัดขึ้นชว่า อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอืมแต่เราไม่รู้เราไปคิดว่ามันเป็นของเราใครยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วถ้าเราจิตเป็นสมาธินะคุณโยมติ๋วมันจะช่วยได้ด้วยว่าอย่างกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยกรณีเหตุการณ์ที่เขาหน้าสิวหน้าขวานเข้าได้เข้าเข็มอย่างเงี้ยถ้าจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราจะตัดสินใจได้โดยเร็วในอย่างบางคนที่อยู่ในบ้านแล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอะไรต่างน้ําท่วมด้วยเนี่ยนะ เขาจะหาลู้ทางออกตัดสินใจได้อย่างเร็วฉับพลันนะดีกว่าค่ะนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มากแล้วก็เป็นความรู้ที่ทันสมัยซะด้วยสอดคล้องกับยามที่เรามีภัยในเรื่องน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากอยู่พอดีเลยนักวิชการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะเิญานค่ะส่วนท่านผู้ฟังที่ชักสนใจแล้วฮะไม่เอาแล้วศูนย์อพยพที่อื่นหรือว่าหลบไปพบ ไปพักกับญาติอะไรก็แล้วแต่ไปวัดปาดอนหายโศกดีกว่าก็ทำย่างไรก็ได้ไปถึงอุดอรแล้วก็ไปเที่ยวเพืหน้องหานอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดเท่าไหร่นะคะนั่งรถไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองที่นั่นเปิดต้อนรับเรียกว่าเป็นศูนย์พักพิงเลยด้วยซ้ำนะคะไปพบกับพระอาจารย์พิบูลยภิปุนโนแล้วก็หลวงพ่อด็ อ, อร์สะอาดนะคะทิตภาโส ซ, ซ, ซึ่งท่านเป็นเจ้า อ, อาวาสของวัดค่ะ สำหรับรายการของเราสันนีสนทน น, น, นะคะในวันนี้ก็ใช้เวลากันมาเต็มที่เลยอย่างไรก็ตามในส่วนของพุ้ทวัจนะของพระศาสดาเราถือเป็นของล้ำค่าที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือยังคงมีแจกกันอยู่ด้วยความเมตตาของพระอจา์คริสคริสโซธิพโลนะคะท่านเจ้าวาดวัดนาประพมศ์เห ล, ล่านกาคลองสิ ติดต่อมาที่0226900006ช่วงนี้ท่านใดมีคำถามจะส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 ของท่านเพบูรณ์เราก็จะได้น ำ, ำมาตอบกันในรายการเรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานกับท่านอื่นๆ อ, อ, อีกซึ่งเป็นฐานชั้นเลิศ น, นะคะวันนี้เราลากานไปแต่เพียงเท่า น, นี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธ ว, วัสดีค่ะ